ที่เราได้มีโอกาสมาตั้งใจมาบำเพ็ญบุญมาบำเพ็ญกุศลนั้น <c oughs> อย่าเข้าใจผิดคิดว่าเรามาบวชชีพราหมณ์หรือว่ามาปฏิบัติกันเล็กน้อยต้องทำตลอดไปเสมอต้อนเสมอปลายคุณภาพชีวิตจึงจะภราบไ่้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าผู้ปฏิบัติทม ตั้งใจปฏิบัติทุกวันจะรู้เลยว่าพุทธเจ้าสอนอะไรส่วนใหญ่คนเราไม่ทราบว่าพุทธเจ้าสอนอะไรเข้าใจว่าต้องเรียนลายต้องเอาเงินมาสร้างโบสถ์สร้างสระเรียกเผาขันแกงโผเอามาถวายพระถือว่าเป็นชาวพุธไม่ใช่ชาวพุทธแท้ะจะเข้าถึงคุณกระศรลักษณนับใส เลี้ยเหนียววัตใจตลอดชีวิตถึงจะถูกว่าเป็นชาวพุทธและถึงจะรู้เลยว่าพระเจ้าสอนอะไรแน่นอน ค, ค, อคุณค่าพ้องสมเด็จจ่าคุณค่าพุทธธรรมคุณค่าพประสงค์ อ, งองมตะวกเรียกว่าลัทนะปหลายเลี้ยงเหนียวทางใจเราตลอดชีวิตชีวิตเราจะไม่แล่นแทน ชีวิตเราจะเดินทางถูกต้องเพราะเรามีคุณภาพชีวิตคนที่รรยคุณภาพขาดคุณธรรมนั้นจะไม่มีค่าของชีวิตเลยชีวิตมันมีค่า <c oughs> <c oughs> เวลาท่านจะมีประโยชน์ในหรือประการใดเวลาก็ไม่มีเราจะเห็นคนไทยชาวพูดแบบฟอรอมก็ไปเชื่อตามไว้จัง วัดโน่นดีวัดนี่ไม่ดีต้ํามีเตียนตลอดเลยตาแต่พี่เป็นชาวพูติแท้จริงเนี่ยหายาหาดูความลาบาก ย, ยิ่งเป็นชาวพูดแบกฟอมเที่ยวตามวัดวาลามข้าวเส้อหมวดชีพลางเขาประกาศที่ไหนก็ไปกันแน่นวัดแต่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นไปคุยกันเสียงเอะเสียงดัง ตลอดเลยการแล้วพระมาเทศการติการเทศในพระวิธีการเช่นนี้นี่แค่วิธีปฏิบัติธรรมวิธีปฏิบัติธรรมนะต้องอยู่ที่ความสงบอยู่ขมูลและเสนาสนางิสรราญาปะประชาจัตถวโยวชีวังอุส า, าโหกระโยติลิขละภูองอยู่ขมูลหาที่สงบปฏิบัติธรรมมีหาโลตโยโคปาสาโทหัมยังคุหาร ต้องเจริญสมาธิภาวนาปากไม่พูดจิตไม่คิดถึงจะเป็นสมาธิภาวนาภาวนาเกิดขึ้นมา่อไรจะลู้เชื่งถึงจิตใจของเราได้ทำให้แจ้งขึ้ใจจะมีประโยชน์ส่วนทผลแก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่น้อยแต่บางคนก็ไม่เข้าใจเข้าใจว่ามานั่งปฏิบัติธรรมจะสบายนะจะมีความสุขเข้าใจว่าความสุขนี่คือสบาย เข้าใจว่าความทุกข์น่ยคือลําบากไม่ใช่แน่นอนความทุกข์ที่ไม่สบายมันตามใจแต่ความสุขเนี่ยได้จากความทุกข์แท้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก่อนที่ท่านจะได้ความสุขที่มเาเชื่อมโยกับความทุกข์การต้องผ่านความทุกข์อย่างแรงแค่ผ่านมาคือแดง ทุกใจทุกการถึงฝูกาว่าดีแห่งความดีในชีวิตแสนจะยากแสนจะลำบากอย่างนี้ก็ไปกันทั่วทั่วไปพระตามวัดต่างๆเป็นจานว น, นมากไม่เคยปฏิบรรัติทำลางถามว่าทำไมหนอาอเรียนถามหลวพ่อวันนี้คนที่บวชศึกไปแล้วทำไมไม่รู้เรื่อง ไม่ยาอะไรก็เหตุใดแล้วพุทธศาสนิกช น, นทั้งหลายเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนามากหลากหลายมาด้วยกันทั้งนั้นแต่ถามไม่ทาไมตอบไม่ได้ฝรั <c oughs> ่งถามเขาจึงตอบฝรั่งไปก็จะไปได้อะไรเ็าบวชเจ็ดวันคือหาวันตามมาที่เขาบวชแต่วันวววนี้ไม่ได้ เคยไปก็มาแย่หน้าไม่รู้มองมาเห็นพาหูมหางกายในส่วนไหน่ะนี่แหละบวชด้วยบวชทองบวชชีเส้นนกะทิอกหักกลับลอยคอยงานชันฐานเสื่อมบุชสุเลื่มสายบวชรับบวชรองบวชคลองประเพณีบวชนี้สงสารบวชหลานประสึกบวชสนุกตามเพื่อประธานทั้งหลายมีบุตรชายทายจะให้ยีตั้งหนึ่งภาษาอย่างต่างสามเดือนถึงจะซึงในรสธรรม ให้งานเอาลูกมาบวกกันเจ็ดวันสิบห้าวันตามวัดต่าง ๆ, ๆชึกไปก็เป็นชิดน้องหนึน่งชิดน้ำตาลมันจะเป็นชิดน้ำบัณฑิตมันจะเป็นบัณฑิตเลยเพราะบัณฑิตมาจากผู้รู้ดีเละรู้เข้าใจรู้เหตุรู้ผลรู้ตอนรู้ปลายรู้กาลเทศะสิจาระษณะดีอาญาข้างผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายช่วทันนี้บุตร เมื่องมีบุตรชายบุตส า, าวบุตรสาวบวชได้ไหมได้มาเจริญสกม า, ามานน่งขาวเน่ทำมาปฏิบัติถือว่าบวชเลยเรียกว่าใจขาสาวศีลขมาทิปัญญาขดาสิ่งนี้นะรับรองแบแพงคุณติดามันดได้หอมแม่เลี้ยงมาไม่เสียชาติเกิดก็เกิดจริงจริบัติป็่าเเดือนหนึ่ง ไมื่อิบ้าวันเข้าถึงจิตใจมาได้เข้าถึงธรรมมาจิตใจจะแจม่มใสจะเกิดปัญญาที่ชีวิตของเรามีแก่นสารแตามีประโยชน์ท่านทั้งหลายไม่ใช่น้อยบางคนมันมีเลยไม่ได่าอะไรเลยนะเหมือนที่ารั่งเขาถามมันข้าวพุทธศาสนก ท, ทั่วไปข่าวบ้านข่าวขันแจงโถไปวัด เท่านั้นพอกระ ท, นทินประปาอยี่กับชาวพุทธสางโบสถ์ ส, าสารา้างสระยู่กับชาวพุทธพี่ลายอยู่กับชาวพุทธแต่หาได้รู้ไหมว่าพุทธะแปล ว, ว่าตื่นเบิกบานตนอยู่เสมอไม่หลับไม่สมาธิเท่าพุทธะผู้หญิงก็เป็นพุทธะได้ผู้หญิงพุทธก็เป็นพุทธะได้รู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งขึ้นมาใจศักดิ์ธรรมอค้งเปรตติด จ, จามนั่ง ก็เป so ็นการโยติผมจะท่านเองโดยกระเพาะโยงผู no ้หญิงก็สามารถเป็นพระราหันได้เป็นพระโูด่าได้หมายควาเป็นต่อไปผู้ชายเพราะผู้ชายจะมาบวชการเสร็จวันตามวัดต่างๆนู้นศึกไปนะไม่รู้มองมาเห็นถ้าเหลืองยไม่ฌานจะจะเกาคือกแกกยังไม่ฌานจักเสร็จแล้วบวชต้องเกาหลายเป็นที่พ่อแม่ พอแม่ให้บวชห้าหกวันจะไปชีโลกูกลูกไม่บากบวชก็ไปแค่้มาบวชเลยไม่ศรัทธาชีวิตชวาก็เข้าถึงพุทธศาสนาไม่ได้เลยกลายเป็นชิดคำตาวชิดน้องเหนโโ่งในเดิดตโยติปนแต่ประการได้มาสมัยโบราณปูย่ย่าตาช่วยก็จะไปขอลูกขาวเขาเขาต้องถามมาบวชเรียนแล้วอย่างบวชได้กือของษา เขาบอกยังไม่เคยบวชเขาไม่หายเดี๋ยวนี้ไม่ันองบวชแล้วมันจขอแล้วมันก็ตามกันไปเองตามกัไปเลยมันถึงจะย่งวุ่นวายกันวุ่นวายกันมากเคยเช้าได้เย็นไม่มีโอกาสที่จะดีได้ยังไม่มีบ้านมีหลักฐานไม่มีวิชาความรที่จะไปเลี้ยงดูกันได้พุทธเจ้าสอนบองบวชต้องเรียนมีหลักฐานมีงานทำ เราจะไปมีคู่ครองจะได้เป็นทองแผนเดียวกังมีมนุษย์จะสัมพันธ์เนี่ยสังคมต้องออกมาในรูปแบบนี้ชัดเจนที่จะถูกต้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแต่ที่เจ็ดที่แปดเนี่ยมอสีตามเข้าไปแ่ละมอสีตามเข้าไปเลยพ่อมันเป็นซีเก้าแม่เป็นซีเจ็ดแม่เป็นครูเรียนลูกสาวคนเดียวตามเข้าไปเลยไม่มาเรียนหนังสือเห็นชัดเจนก็เนื่องจากพ่อแม่ไม่สนใจ รับแต่ละเหตุการแม่ก็เป็นครูสอนนักเรีย น, น, ยนแล้วก็ไปหาบระกันชุพไม่ไดดูลูกลูกมอซีตามเขาไปเลยพ่อกลับมาไปตามลูกกระมัดประเดีดตามเขาไปอย่างเลยแค่ได้แค่มอซเขาจะทิ้งความอะไรก็ไม่ทราบเราได้เ จ, จ้าสอนอครอบครัวนี่นะจะด้าเสียเป็นสามีภรรยาย ต้องเรียนรู้ดูจำทำจริงมีวิชาความรู้ดีสามารถจะเลี้ยงกันได้ด้วยความสุกต้องมีบทศิษยดาก็ดีด้วยพ่อมาก็ไม่รู้แม่บ้านก็ไม่รู้อีกต่างคนต่างได้มาไม่เป็นผู้ใหญ่ไหนเลยจะเป็นหลักฐานที่จะปกครองบ้านปกครองเมืองในบ้านในเรือนก็หามีไหมแม่มางก็เป็นแม่มางที่ไม่ดีทำกับข้าวก็ไม่เต็มได้สามมือแล้ เนี่ยไม่โทษผัวแต่แม่แบบแม่แผนแม่แผนก็ห้ามไม่ได้เคยประโยชน์ตัวที่ผลกับประการใดไหนเลยแล้วครอบครัวนั้นจะมีความสุขไม่มีอาตมาไม่โทกขายโทษแม่บ้านไม่ดีไม่ได้ดูลูกเลยออบานไปเตือนใครขวดมนไหวพลาดเป็นครูโรงเรียนแท้ๆบอกว่าขวดมนไม่ได้เงินนางสมาธิมาได้เงิน ไปหาประสการชีวิตอย่างได่นๆเลยลูกเสียไปเลยใช่ไหมลูกตามเกาไปบางทีญาติโยมมาปฏิบตัติของทางสติบางคนเนี่ยแอะนะจะมาน่งปฏิบัติไปไม่รอดทําไม่ไปไม่รอดคนที่ดีมีปัญญาจากปฏิบัติตั้งแต่เล็กๆนาำแยมหายเทียมมะนาวโคตเครีคยดใครไปกลุ่มวิสัยจะเกิดขึ้นแต่เล็กๆ สามขวดคขวดสามเมกาได้เนี่ยเจริญไวเชิงสามมาได้ํางานชีวิตตั้งแต่เล็กแต่นี่ยากแก่เนี่ยเดินก็ไม่ไหวพอจะมาน้างกรรมาฐานก็นั่งไม่ได้กาหนดจิตตั้งสติไว้ไม่ได้ไม่สา ม, มารถจะใช้สติควบคุมจิตของตัวเองไว้ได้เลยหลงลืมเลยง้อลืมนี่ตลอดเลยตากรรมฐานทั้งหลายปฏิบัติธรรมซึ่งในโลกธรรมตั้งแต่ไปเล็ก การเรียนวายแฉงสาขึ้นมาท่านจะไม่หลงลืมอะไรเลยเพราะท่านอายุแปดสิบเก้าสิบแต่จำความเท้าความหลังหน้าโดยชัดเจนอันนี้ก็เรื่องอันหนึ่งสำคัญแต่บางคนแม่เดี๋ยว่สนใจในหน้าทีก่การงานพร้อมกับโรงเรียนที่อัดัดเอาถึงทำหน้าที่โรงเรีนอนอจากโรงเรียนไม่สอนนักเรียนเหมือนสมัยก่อน สวัสดิ า, าก็ไม่สอนนักเรียนเหมือนสมัยก่อนทำให้เด็กไม่รักชาศาสนาพระมากษาัตริตัตมาว่าประเทศไทยไปไม่หลอดยาบ้าติดป็นทุกโทรมากันเป็นแถวหมดลูกไปยาบ้าแก้ยังไงบอกโยมบอกกงกรงนะโยมแก้ไม่ะถ้าโยมไม่เคยปฏิบัติธรรมะก็เลยเคยสวดมนต์ไม่มไพระสามีภรรยาทะเลาะกันทุกวันโคมาใจร้ัน จอดไวเลยจอดไว้เล ย, เล ย, เลยแก้ไม่ได้ลูกนี้ไม่ได้ชอบพ่อแม่ไม่ดีพ่อแม่ดีไม่ทะเลาะกันชว่วยมรรคภพรับรองจะมาข อ, อยืนยันเอาหัวเป็นประกรันเลยลูกนี้มาทั้งทั้งกลับ พ, พ่อแม่พ่อไม่ ด, มดีไม่เป็นไรแม่ดีสักคนนึงนะพอเจะชู้เล่นการพ น, นันช่แพนแม่ตาอย่าไปตามคนชั่วเข้าบา่า ข้าความดีแก้กลับลายใจดีเดี๋ยวก็เขาก็เลิโลกโรคปรับดีได้แล้วก็ครัวแต่แม่ขวัพาหุมกาและเจริญกรรมฐ า, านเดินจงกรมทุกประเรื่องมันจะสนใจกับสามีสามีปรับลายใจดีเลิกดื่มทุลาเลิกเล่นการพนันเลิกเก็ถูกลับมานได้โดยเกรงใจทัน ย, ยาพันยาแผ่ไม่ตาเท่านี้เองแต่ญาตรวมสานพิทูลทำแล้วเวลาเลิก มาแค่สองวันแล้วก็เลิกไปยมจะได้อาลอยบ้างใช้ชีวติต่อการงานและหน้าที่อะไรบ้างต้องทําเป็นประจำแค่ความดีต้องเป็นประจำถ้ า, าความดีไม่เป็นประจําความท่วมก็เข้ามาแทนเดี๋ยวก็ออกไม่สบายอกสบายใจทะเลาะวิวาดกันตลอดแต่บางคนเนี่ยมาแล้วก็บอกเนี่ยเครียดอย่ามาปฏิบัติเคียดจะมาปฏิบัติามาเพลินโทมาให้แผ่เมตตาไปนั่งซื้อบุตร วัดอะไรมาไม่ทราบจำใครไม่ได้นางสาวเดี๋ยวนี้ยังอยู่โรงพยาบาลเพื่อจะไปนั่งพระที่วัดนั่นก็ไม่รู้รับระคึกเลยนั่งเลยบอกที่นั่งนานยิงน่งดีใหญ่แล้วไม่มีใครสอนนั่งเอาตามาน้ำเผือ น, น้ำใจเลยก็เข้าโรงพยาบาลเลยก็หาว่ามานน่งกรรมาฐานเสียผู้เสือคน ขอเช็คจริงนั้นจเจริญกรรมฐานต้องการให้มีสติปัญญาทำไมจะเสียทูกเสีกนตอบได้ทันทีว่าสติไม่ปกติไม่มีสิ่งตั้งแต่ต้นขาดสิ่งขาดธรรมมีสติปัญญาจะจะทานได้แก้ปัญหาไม่ได้เลยเลยก็เครียดแม้มานานกรรมฐานก็ผีเข้าก้าวชงไปเลยตมเขาเตินพรให้จังับ บางคนที่มีบุญวาสนาไม่ต้องชวนมาจองรถไปลาค้างประชุมมาเองบางคนเด็กๆนะเขาก็มาเจริญกรรมฐ า, านของเขาเขาก็ดดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้สมปรารถนาดังที่กล่าวมาเึ้นอีกเลยบางคนก็มาเอาเลือกไปวัดโน้นวัดโน้นดีกว่าไปวัดโน้นดีกว่าชัวร์ไปเรื่อยๆในการปฏิบัติธรรมก็ไล้ผล ไม่ได้ผลจะตามสมค่าปรัชนาทุกประการเลยไม่ได้จะหย่อนผลิติผลแต่ปะการใดก็ไม่ได้เราคนมานั่งดูสิห้าวันปัญญาโทส่วาเพื่อนชวนไปโน่นเข้าถ้ำนครสวรรค์เลยไม่กลับบ้านเข้าไปไหนก็ไม่ได้ไม่ต้องเรียนต่อปัญญาโทก็ไม่จบนี่แหละหลายวัดหลายวาไม่มีใครไปดูแลคนไายบุญลักฒนาเลยถ้าตีความตีขมว่า หน้ั่งสมาทานบ้างเขาเขาไม่มีสติปัญญาไม่เป็นคนกปกติเลยขาดสติมากคนที่เจ็ดดีมีสติจะควบคุมไม่ได้แต่ท้าวสติท่านบัญชามันจะอดทนไม่ได้เลยนั่งเข้าไปเลยกลายเห็นกองจับเป็นดอกบัวเห้นความทั่วเป็นควาดีต่อหน้าอย่างรับหลังอย่งเป็นอย่างนี้แน่นอนเลยไม่ได้ดีเลยเห็นกองอันขา้าม เห็นกองจากเป็นดอกบัวเหมือนไก่เห็นเพชรเนินจินดากลายเป็นก้อนอีกก้อนสายไม่ยังมีค่าเท่ากับไก่ใจประกามได้คนที่มีสติดีเป็นกปกตินั้นจะอดทนได้สูงมากตายให้ตายก็เดินตรงกรมนั้นัน่งเข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์คนที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือรัตนใจยึกเหนีาา่ยวทางใจให้ได้ให้แน่นอน คุณของพระพุทธเจ้าวมีสามประการก็ปัญญาคุณดาวีสุติคุณพระมหาปวงสคุณทณี่เราหน้าหนูจะต้องทบท้อนนี่เนี่ยพระพุทธเจา้าคุณปัญญาอันแรกล้าเลิศทาให้เราเกิดสุดตตรมยาปัญญาข้อเนี่ยทำให้สนใจสรดับจับฟังสนใจทบ ท, ทวนชีวิตสนใยตัง้งสติปัญญาไว้ให้ได้และเกิดปัญญาในการฝัน ฟังแล้วกอดึงตามา ญ, ญาปัญญาเอาไปคิดรีเรี่นเป็น ง, งานทันที่อย่าลุลีจัดจานใดก็เกิดปัญญาในทางคิดคิดให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในกิจประจำวันของลราอันนี้สำคัญมากแมะภาวนาัญญาปัญญาก็อทิศาภาวนาให้เกิดปัญญาเช่นท้องหนอยกหนอยยืนหนอห้าข้างขวาย่างหน่อซ้ายอย่างหนอต้องรู้ที่เช้าอย่ า, า, ยาไปรู้ที่อื่น แต่คนไปเข้ามาหลายวัดหลายวารับรองทําไม่ได้อเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้เลยก็สับสนหมดกลายคนสับสนนี่มีสติประชามสติขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาแก้ไขปัญหาไม่ได้เขาทําอย่างนี้ได้เืินหน่่ห้าครั้งดับนี่ภาวนาให้ใจเข้ายาวๆให้ใจออกยาวๆพองมันจะพองยุบแต่กรมมันตับเกาเรียกว่าเห็นชัดเจน เข้าถึงและ่งใจที่แนนอนในคิดของท่านอย่างหลากหลายมายดยความดีเป็นกปกติคือเส้นภาวนามยบปัญญาทำให้เกิดปัญญาในตัวตามหลักที่พุทธเจ้าสอนปัญญาในตัวเนี่ยสำคัญมากปัญญานอกตัวในช่วยเราไม่ได้ที่ชาการที่เรียนมาเป็นด้อกเตอร์กช่วยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ การแก้ปัญหาชีวิตได้ต้องอาศัยภาวนามยปัญญาเกิดปัญญาในการภาวนาให้เรารู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉเพาะนาจะได้แก้มันถูกต้องสามารถสกำจับความชั่วตัวเราได้ไดรเราจะรู้ว่าเรานี่ยทำชั่วทําไม่ดีเกิดอาุศลกรรมกับ ต, ต, ตัวเองจะได้กําจัดมันออกไปใช่ไหมนี่คือภาวนามยปัญญาปัญญากําจัดความชั่วตัวเราได้ ปัญญาทางคิดทางฝั่งปัญญาทางโลกโลเกียปัญญาแค่ปัญหาไม่ได้ต้องโลกุตระปัญญาคือปัญญาทางธรรมแต่ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าโดยเฉพาะได้อย่างแน่นอนเราจะได้รู้ว่าเรามีบทกีคนคนก็จะเรียนแพทย์เรียนหมอหรือเรียนวิศวกรจะได้รู้จะได้ไม่ต้องเสียวเวลาลู้อันนี้ชัดเจนนะไม่ใช่เรื่องเ อ, อมาเล่าเล่นกัน แต่ท่านทั้งหลายทําได้หรือไม่ถ้าเรามายางเวลาจงกัดหรืออาจจะไปทําวัตอื่นมามากเขา่าสมพระธะคมาบัตรได้หรือ ไ, ได้โซรุยาิยามาะอาจจะเป็นได้แต่นี้พูดในภาพตรงเนี่ยทําให้มันได้ น, นี่เย็นหนอห้าทางคบทบชวนชิดกาจาาปัยากาศกรรมาฐานเจียสาลูมานาคาสันตาตัดโตตัดโตสันตานาคาลูมาเจษ๊ยสาห้าทางอัญจตะแปลว่าห้า ไม่มาแต่มูลกรรมฐานมี่ัหละก็เนื่อเกิดมันจะพองขึ้นมารดาเลยไม่มาครอบเกสาโลมาขาทันตาตะโตกเวียนกําหนดห้าครั้งกาหนดได้เนี่ยจะรู้ทบทวนชีวิตเราจะได้รู้กดแห่งกรรมเราทำกรรมอะไรไว้จะใช้เวรใช้กรรมในวันไหนมันจะเกิดขึ้นกับเราในวันไหนล่ะหัวจะแตกรจะชนเช่นอาตมาเนี่ยรู้ล่วงหน้าหกเดือน บางรถจะต้องโถมคอหากตายแน่นอนสติตัวนี้สํางทางสติตัวต้นไว้เลยจ้ะสตตัวกลางคือความรู้กติตัวกลายคือปัญญาแก้ไขปัญหาอย่างไรเราจะต้องตายเนี่ยรถชนช็อตเนื่องจากว่าไอปัญญาตัวในตัวเนี่ยบอกว่าไปหากคอนกทือหนองไผ้หลายตายจากถีมเมืองศิลป์อาจจะต้องขอหากตายในวันที่14ตุลาที่เราต้องพ่อพอา่าของทุกทุกทุกปี แต่ก้ไขปัญหาไปทําบุญเป็นการต่ออายุไะ้เราก็ทำของเราใครทําด้วยก็ทําไม่ทําก็ไม่เด็ดไปบอกคนไครไม่ต้องใช้เดือดร้อนจัดกานได้พิจารณาบุญมีและหยาบลาหลุมันไม่มีการเดือดร้อนคําว่าบุญคือความสุขไม่มีมีการเดือดร้อนไม่เคยได้รับวนไครขอโยมไล่บุญวัชนะจะเบียดเบียนตัวเองจะไปเบียดเบียนคนอื่นเขาทํำอะไรก็เดือดร้อนตัวเองเสมอ แต่ทำให้คนอื่นเบียดร้อนเสมอคนยังมีไรบุญวัสนาคนมีบุญนันต้องมีความโชคกระเลีนรุ่งเรืองวัฒนาศาสนาทั้งสามมีพยายามไม่ทะเลาะ ก, กันไม่ชิ้คว้ากันแน่นอนถ้ามีบุญนะเป็นคู่ชา่างคู่สมคู่อบรมหาลูกท่านดีทุกคนออกแบบมาทังเดกนแห่งกรรมมาบางคนดูหน้าลูกดีไม่ได้ก็สามมีพยายามให้สมควรกัะ ทะเลาะกันตลอดในการคู่เวรคู่กรรมกับทั้งตายตายจากการไปโดยโทสาไปเป็นอสุรกายในเมืองญรกต่อไปและลูกตาเกาะเลเพลาขาดทะเลาะการแย่งช้มบาดพัสสานการพรสิ้นลงสารนี่คนไรบุญวัฒนาคนไรบุญวัสนาจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นบางคนถึงกับผูกคอโยนถูกคอโยนโคนต้นอย่างโรติดตายฆ่าตัวตาย หลากหลายมาด้วยกฎแห่งกรรมจากการทำรรที่เนี่ยนอนได้ชัดเจนมากแต่เขาจเจริญพร อ, อย่างนี้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมที่หลักหลายเอย๋ยสร้างความดีให้ตัวตนไม่เคยเป็นของง่ายคทำยากมากแต่ท่านกองอดทนขอฝากไว้เรียกคุณเขาดูจากสามตาการเนี่ยให้ติต่อ น, นอนเนือในจิตใจเรียกว่าลัตตนาจายแก้วอันตเสดนึกเงินจะไหลนองนึกทองไหลมา ถ้าภาวนาได้จิตใจกายท่านกับบริสุทธิ์จิตใจสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์สะอาดกายสบายใจสะอาดกายเจริญสุขปราศจากทุกได้จชิเปิดเมตตาพระมหาภุมินาทิคุณข้อมูลพระพจารณพระพิจารณมีแต่เมตตาชาวโลกให้พ้นทุกข์ไม่เคยมีอะไรต้องไปกาต้องการผลตอบแทมจากชาวโลกแต่ประการใดห้ามผู้ปฏิบัติธรรมที่รับทั้งหลาย ท่าลองไปอ่านพระไตรปิฎกขุดี่บอกพุทธเจ้าเรียลัยไหมต้องการเงินของท่านมาสร้างวัดสางวาไม่ไม่ีเลยนะอาณาธิเป็นลิขามหาเศรษฐีสร้างถวายเองพระองค์ไม่เคยไปสร้างวัดเรียลายสร้างกุฏิวิหารเหมือนชาสงยุคใหม่ใช่ไมเดี๋ยวนี้ต้องช่วยตัวเองต้องสร้างโบสถเองต้องสร้างกุฏิลิขานเองแล้วสร้างแพงาไปเลยน่าจะสร้างคนแข็งทัดพุทธเจ้าสอนว่าสร้างความดีไม่ต้องใช้เงิน ถ้าพวานดีไม่ยอมใช้สตางใช้สติตัวเดียวได้ไหมอย่าโยมที่เราทั้งหลายสติตัวนี้สำคัญนะถ้าบางคนมีสตางจะไม่มีสติชีวิแหลมแค้นไร้สาระขาดเหตุผลกาวไม่มีที่เกาะออกไม่มีที่จับเติบซอกเกาะไม่ยคนที่มีสตินั้นเงินจะได้นองทองได้มาอีกไม่กลองไปหาอะไรมันจะมีปัญญาหาเงินมาได้จน่ด นี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าเราปฏิบัติมากจะเป็นอย่างนี้เนีไงอาจะมีแก้วช้าทพักนึกนึกเงินจะหลนองนึกทองจะไหลมาคาคาสติตัวเดียวขาบพระรัตนากายถ้าจะนึกอะไรไม่ได้เลยนึกอะไรก็หมดคาดหวังผิดหวังตลอดบางคนผิดหวังตั้งแต่เกิดมาเลยจนชีวิตทำไม่สมหวังเลยมีแต่อุปสรรคตลอดเลยการหลวงพ่อคะหนูมีต่อุปสรรค อุกกาชทั้งต้อนจนฝนทุนปลาทั้งเรือคู่กูสอนได้มาเขาก็แย่งสามมือหนูปัดม่ใหม่มันก็แย่งไปอย่างมีมันเลยอย่างไปมีมันเลยมัาถือมีพยาก็มีช่วยในระละครอบคุยเอ๋ยทันทั้งหลายคนเรามันคนเราหลับคนลรใช้เกลื่องคนเราสเปกมันคนละกดเหงาตามจการกระทำให้ถ่ายต่างกล้องพี่น้องสังเกต ห้องเดียวยังเหมือนกันบันหนานักภาษาอะไรแค่คู่แกดคือมาทุกวันสองคนคู่แก่เป็นสาวของคู่นึกชยยังไม่เหมือนกันออกอันมาห่างห้านาทีเกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันทําไมไม่เหมือนกันท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายท่านญิงชายท่านยังนึกย้อนลูกคุณท่านมีลูกอ่ะลูกเรียนอะไรฮะลูกขยันเรียนหนังสือทุกคนนะเนี่ยวันนี้มาอนี่ย โทรมาเลยลูกมันยันหนังสือลูกหนีไปอะอาริยาตีไม่มาเรียนบอกโยมไม่ใช่ไรแกไม่ได้เราเรู้เลยสัญญาจะบอกไปตรงว่าเดี๋ยวก็จะตายจะคาอกแล้วลูกน้อยเอาดีไม่ได้แต่กามาไม่โทษเด็กนะเวงกรรมตามถนอมมาถึงพ่อแม่ในา ก, การมอยู่ที่แม่ใช่ไหมแต่กันอยู่ที่พ่อ อ๋ออยู่ที่ลูกลูกก่อให้พ่อแม่เดือดร้อนจริงๆบางบ้านนี้บุญวัฒนาไม่ต้องห่วงบุญเปโลวความถุกแน่นอนคนที่ลายความสุกไม่มีบุญวัสนาแล้ยลูกจะก่อให้พ่อแม่เดือดร้อนตลอดชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้นเลยขอฝากท่านทั้งหลายไ ป, แ, ไปแก้ดา่านกรรมฐานถ้าท่านท่านกลับไปท่านกระเลิดไม่เอาแล้วเพราะว่ากรรมฐานยากไม่อยากทํา อยากได้ของง่ายๆทุกคนอยากได้ของง่ายๆมีไหมของดีของง่ายแล้วมีไมไหมขอประชานโทษของดีราคาถูกมีไหมของดีราคาถูกมีไหมขอถาญแล้วของเร็วๆ เ, เนี่ยราคาแพงนี่ยากมากขอขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยคนเรามันมองในแง่ต่างๆไม่มองในแง่ดีดีเนี่ยแขนจะยากลําบากมาก ไม่จะคงง่ายเลยคนเรามีสุขได้ไมาจากความทุกข์ควา ม, วามจเจริญได้ไมาจากความเสื่อมแน่นอนความทุกข์ความยากความลำบากได้ไมาจากอะไรแน่นอนนี่แหละคุณปัทเธีร์จักรนาการยึดเหี่ยวทางใจตัวชีวิตท่านจะมีแต่วตวความสุขความสุขคือเป็นบุญบุญยกรรมสร้างบุญให้แก่เกิดแก่ตัวเอง อาจจะยูเย็นเซ็งสุขตลอดเลยการไม่ไม่ใช่อยู่ร้อนนอนทุกข์คนี่อยู่ร้อนนอนทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยนขอฝานใจเย็นอูชาตั้งใจฟังสักนิดโยนจะเขา้าใจความดีทำํำง่ายๆนะความชั่วเนี่ยทำหน้าที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่ามันชั่วเพราะทาตามอารมณ์ทำตามใจต้องตามสายชนน้ำไหลไปตามใจตัว มัวอยายมมุกหาความสุขในสังคมโดยไล่สาระขาเทตุขาดผลแม้จะมหาบิดแทงเมืองมิจฉาลักษณ์จะจัดการได้ไหนเลยลจะเป็นมหาบิดท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายท่านมาเนี่ยขอให้ตั้งใจเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าท่านจะได้ถึงพ่อแม่ท่านี่บางทีพ่อแม่เนี่ยทะเลาะกันแยกกันอยู่รู้ขามควรมางานปฏิบัติทำให้พ่อแม่เวียนว่ายายเกิดกลับมาพบกันใหม่ รับมาอยู่กันแล้วก็มาดูแลลูกต่อไปมีเรื่องเล่าเยอะแยะที่วัดเป็นบุญแต่คนไร้บุญวัฒนาอยู่รอดแถมนอนทุกข์อาภามสุกข์มาให่เนีนี่แหละเสียใจด้วแถมไปอยู่รอนนอนทุกข์มีความถูกให้บ้านใหญ่อย่าก็วัดอย่างก็วัดวแต่ไม่มีความสบายเลย ม, มีความสบายเลยอะไรหนาะสบายบ้านไอ้เงาะบ้านไอ้ช้างทองวัฒนา อยู่ไกลไล่ไกลนาหลังละเนี่ยมันมีความสุขตลอดก็ไอ้ช้างพอมันมีปัญญาคนมีปัญญาแหละอยู่เย็นได้สุขครับที่จะอยู่ได้คับใจอยู่ไม่ได้นี่ช้างพ่อแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนเรานี่ชอบกระบะดิฉันทั้งนั้นถูกต้องหลายลงคิดย้อนยุคในตัวของท่านดูสิเป็นอย่างไรแต่คนไหนอดทนได้่าน้นจากความทุกข์ได้แต่อดทนไม่ได้แต่มันมีแต่สะสมความทุกข์ มันมีความสุขในจิตใจจะประการได้การฆ่าความสุขให้กับชุดนี้เนะี่ยไม่ต้องใช้สตางไม่ต้องใช้เงินใช้ทองแต่ประการได้แต่ต้องใช้สติปัญญาการใช้สติปัญญาก็คือการเจริญกฐมธรร ม, าามน้อยนักน้อยห น, น, น, นาที่คนที่จะสนใจความดีไม่มีใครสนใจความชั่วไม่ต้องบบกขับไหลเป็นเลย ไหลไปสบายเงี้ยความดีเนี่ยต้องจาง้งจางก็นด้วยหรือรต้องจ้างกันด้วยหรือเปล่ากันได้ขอให้ทา่านย้อนดูชีวิตคุณท่านประมาณนี้ละบาปมาโชคเลยทั้งปกเข็มนี่ยนายสอดทั้งคอหกักแขนหกักฟ้าผ่าทุกอย่างทานมาแล้วทุกอย่างทานมงหมดเล ย, เยมีแต่นคนที่การเนี่ยเป็นคนพิการคอหักนะแล้วแขงจะหกัก ขาก็หักแต่เราฆ่าความดีใช้วิธีกรรมฐานแต่ปัญหาชีวิตรู้เหตุการ์ได้แน่นอนว่าเราจะต้องทุกข์ทนมันที่14ตุลาเที่ยง1 4าขอให้ท่านทาให้ได้หน่อยไม่ต้องไปสวรุรุุุุยยุุุุุุนนุุุุุุุุุุุุุิุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่่อุุุุุุุุุุุุุุุอุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุวุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุาุุุุ มันเป็นอนิจจังทุกขงังตาปวดนอปวดนอเกิดขึ้นต่างอยู่ดับไปจิตก็ไม่พลนาผวามันก็หายวปวดไปจิตไม่ไปกังวลเท่าไยร่จิตอย่าไปกังวลจิตอย่าปอกไปหาความชั่วเมื่อบายมุขถ้าจะหาความสุขไม่ได้เลยเนี่ยนี่แน่นอนสแต่บางคนไม่เอาเสียใจเยอะ ย, ยากมากปรญญาการเฉลิกกมกรรมฐานมีสามข้อเลือขาดได้ไ สองรู้กฎแห่งกรรไหมสามแก้ไขปัญหาช่วยใจเมื่เกิดขึ้นกระเพาะหน้าได้ไหมเอานี้ก่อนเอางี้ก่อนพื้นฐานเรื่องต่อแต่ท่านไม่สนใจเรื่องเมียจะมาก็เสียใจด้วยไม่สนใจความดีให้กับตัวเองน่าจะบข้าความดีกับลูกทำถูกกับหลานรักให้มันถูกวิธีทำความดีให้ลูกดูเลยคงนิชัดเกณเ ง, งาบุญเงาบาปถ้าเราทําบาปเดือดร้อนมันจะเป็นเงาตามตัวไปเลย ตามไปรอยะอยู่ที่ไหนเงากระซั่นเนี่ ย, ห เ, ยเห็นเดือดร้อนไปกดแห่งกรรมต้องใช้มนีกรรมแน่นอนต่อมาโดนมาแล้วทุกอย่างแล้วความดีต้องมีอุปสรรคขอฝายญาโยไมอ่องนะความดีเป็นขับรูชิดที่พูดมานานแล้วความดีเป็นอุปสรรครัดขวางไม่สากตัวหัวหน่ให้เลิกฮะเลิกฮะเรามาเนี่ยมาทรมานใ นึกว่ามาสบายคือโทรเอ้ยลองพ่อยตุกขาแต่ไม่กมาสบายไปชั้ไปสัววันสบายชัววันเนี่ยมันไป ย, ยากนี่จะความยากกันแบบนรกไปสบายไปเลยนรกนีนก่ไปเหนือเอเชียเลยไหลไปเลยไหลไปเลยประจามสบายเลยทางสัวรันทางโคกเขตทางไม่เจริลยนะคือชัววัน ก็จะเดินไปหน้าก็จะถึงที่หมายปายทางเสียก็ต้องใช้เวลามากและเนื่อสวรรค์แต่ทางสร้างทุกสบายเลยถนนเอเชียนนะรถแล่นสบายเลยปล่อยร้0ยสี่สิไปเลยนะเอาเลยเดี๋ยวไปถึงแค่มาวัดพรวนก็มาเลยวิ่งมาร้อยสี่สิบเลี้ยกขวาเลยพาไปมหมู่ชลั บ, บรีโน่นไปปัดเข แม่งอินเทอร์เน็ตค้นนายวัตุวันมาผ่าไปตัดเข่าแล้วโทจริงจงนี่จะถึงวัตวันยังเนี่ยนี่วัตถวันอยูไหนแล้วยออยู่ไหนอยู่ปัดข้องโอ้โหมันใกล้กันเหลือกเกินตัดท้องก็วัตุวันทำไมเลี้ยวไปทางโน้นแล้วเขาเลี้ยวเข้าเอเซียจคนขับไม่เคยเข า, เค ย, คขายัางดีนะคนขับเนี่ยยังดียังอุตสาขับไปตามถานนเท่มนั้นแต่ขับนอกถนนก็เป็นยังไงมนจะเป็นยังไงฮะ อันนี้เองจิงก็ขอเจริญพรเนี่ยคนน่ะชอบสบายไม่ชอบอย่ากบ้ามาโบนมาหมดเน้่ยทั้งยากไร่ทุกอย่างตาแม่ตาฝนคนมันได้แล้วอดทนให้ได้คนเราชอบสบายถึงขมานนอนสบา ย, มบายไม่อางวางอกาศอยากสร้า ง, งความดีเนี่ยเป็นศัตูชีวิตแท้ๆมันไม่อยากจะสร้างมันลบาก ของข้าศึก้ า, าความดีเป็นอุปสรรคมันก็มีขัดขวางตองลอดเลยการมานั ก, กนที่ผิวเลิกเครือบเลิกเคลือนั่งทําไมต้องหนึ่งชั่วมดยูบ้านสบายกว่าไปดูคอนเสิร์ตดีกว่านั่นแน่ไอ้มารลฟมาที่ไหนหรือสาวขื้สิ่งมันอยู่นยยนนในจิตใจของเราไปเที่ยวดีกว่าไปหาแฟนดีกว่ า, ม, า, ามันนั่งทําไมนะนั่งนะ คิหนอทีนี้ตัวเนี่ยคิดหนอเขาม่ชดิตตายามันจะบอกชัดเจนพของสิิงทันทีอย่าไปเของปลอมลยนะมันนั่งเอาได้ของกลมมาของหนอเหนอทอนหมดโอ้ปวดหนอมาหลายถึงขั้วโมงหนอปวดหนอปวดหนอแล้วมันมันก็มาบอกทอ่ือว่าอยู่บ้านสบายมากแล้วยไปเชื่อคุยกัเพื่อนด้ นี่มาคุยกับใครมาคุยก็ผีที่ไหนเลยนะั่งพองหนอยุบหนอแล้วก็ขอญาตนะไปห้องน้ำแล้วมาจะกลับมาเลยนี่นีะไอความดีมันเป็นอย่างยิง่งจรยงไม่่อยมีใครเฉ่งใจความดีแสนจะยากสมากเหลือเกินของดีก็แพงนะโยมเห็นว่าของดีต้องถูกไหมถูกหรืแพงนะบางทีไปช่วของ เขาแก่นี่คนไทยอตาตมาได้ยินมาเสมอเขาแก่เอาของดีๆมาขายนะเอาขอ ง, งอย่างดีนะได้ราคาถูกๆเยอะเขาแก่บอกให้อคนไทยเนี่ยฉลัดเงี้ยที่สุดของดีราคาถูกนีไหมมีไห ม, ม, มเลยก็ได้ของถูกมาเลยเราต้องพูดเลยอตาตมาไปช่วยของไม่พูดอย่างเช่แกเอาของดีในร้านที่ดีสุดเอามาเลยไม่ต่อนี่ ผมยังไม่ต่อเลยเขาก็เอาอย่างดีจะไปค้นเลยเนี่ยลบพอของดีนั่นดีแหละเอาเลยเท่าไหร่สอง0เอาเลยให้สอง0ันสองแค่จะเื้อมาทำบุญให้งอกช่ไหแมแหมแค่าบาทเดียวต่อนีตอ่ต่ออีกจะเื้อมาทำบุญนี่ย่งยาเหลือเกินกระทั้งแมท่าท่าต่อเกงบานี้เขาทาบุญก็วัดนี่ตลอด แค่มาดียังต่อเขาโอเคารดใครเลยยังจะต่ออยู่ะความดีเน่ะฉัน จ, จะยากมากฉันอุปสรรคเหลือเกินเราจะมาช้าความดีก็มีคนขัดคอทำอะไรดีเดนขึ้นมาก็มีคนขัดคอมีคนฉาลิศยาแต่ทําชัว่วไมนมีใครฉาแล้วรับรองชาความดีต้องเล่นทึงภายลนบากได้ ถ่ายโยมลงทุนความลำบากไม่ได้ดีไม่ได้ถ้อยู่ที่ไหนแล้วมันจะสบายสบายแลก็จะเป็นของดีมีที่ไหนคนที่จะปลูกบ้านนี้เป็นใหญ่เราเขาจนมาก่อนของลําบากยาเย็ยนนั่นเครงจั่งกว่าจะมีความสุขเลยกวจะได้ดีแสนจะยากมาจะผงหน้ายมันจะเกิดมาปั๊บจะหาเงินมากองเลยมีที่ไห น, นแถมนอนตึงสายต้องหนยหายหากิ่ ต้องหมิ่นจะเหมือนน้อยต้องนั่งคอยวาสนาให้มาหาเองวาสนามาหายเองได้ไหมคือมันนั่งเฉยก็เฉยแล้วมันก็มาเองวาสนาเนาะมันมีมาได้ไหมถ้าไม่ทําไม่ทํามันจะมาเหรอแถมนอนงานน้อยจิ้มดายเงิหมดมีเงนหน้าสดหมดเลยหน้าแห้แเรื่องน้ำใจนอนงานงานน้อยไมบางคนนอนตะคริษงานก็เสียม แต่ก็ทำผู้ปฏิบัติทำมีสำคัญมากเขาไม่มองจังหวัดตามองตีสามทุกคืนนี่นตีสามทุกคื น, นอายุก็ามากแล้วต้องทนอย่างโยมตีสามทุกคืนไหมตีสามทุกคืนใช่ไหมดูโมทนาด้วยจะได้ไปรดีกังเราก็ตีสามเหมือนกันก็ขอฝากไว้จะคิดคนช่างความทั่วชอบลงทุนความลำบาก กินสบายนอนสบายไม่เอางานโอการกำลังชั่วยัไม่รู้ตัวคนชอบสบายคนชั่วชอบลงทุนคันสบายจิงสบายนอนสบายไม่เอางานโอการกำลังชั่วโดยไม่รูตัวหรือตรงนี้ไม่เอางานโอาการเลยคนที่ดีมีปัญญาเขาเจริญพรถามโยมถ้าเอกงางเอกนี่ละครชีวห้องลํบาบากหรือสบาย นางเอียดแท่ตกองลำบากโยงเป็นนั่งเอียดนช่ไหมเป็นไหมเป็นหรืเปะเป็นต้องลำบากอยากทํายไหมอยากสดายไหมสบายไหมอยากต้องเป็นตัวหางเครื่องตัวหาเครื่องดีที่ส <p> <alay> ุดไม่ทุกคืนแล้เอียดมันชอบกระเทวดาหาเครื่อง เป็นสายตูดไปทางคนข้าตูดเป็นได้ชอบจริงๆนะตัวหาเครื่องลีไหมขอโทษนะนะไม่ลูกสาวอยากเป็นหางเครื่องเลยขอไม่ฉาบเถอะอตมาว่าลูกศือย์จากภูวันลูกสาวเป็นหางเครื่อนาให้เขาอตมาหน้าไม่ทนแต่ทนพอดทนต่อการทางนานเคยไปลงหน้านาทองไหมอย่าไปลงเลยทองมันลอกได้ ลงหน้าหนาทอนดีก็ไปลงหน้านาคองอ้ทอเท่ดีดีไหมนะมาเร็วๆนี้มาเนี่ยที่วัดเนี่ยของติดตรงนี้เป็นแค่กมาก็บอกว่าโยมไปลงหน้าหนาทองที่ไหนมาเหมือนกันหมดเราเรามองเห็นหนอพวกนี้จะลงหน้าหนาคองมาได้หนอนหนอ กล่าวเจ้าค่ะกล่าวเจ้าค่ะโอโหกไม่ได้นแน่นียนอยากโอโหกอาตมานะเห็นหน่อก่อนเห็นหน อ, อ, นหนหนอไปลงหน้ า, นาทองได้มาลาวฉันไปติดทองวัฒนน์โอโหวัฒน น, น์นีฝักติดมากติดหน้าทองตือมาถูกตรนี้ทุกคนแหมเก่งมากเดี๋ยวเบือดขาอมาแล้วหวานขานออกมาล้อมกอดขาล้องกอกดขาไม่ใช่ทองตือยกค่ะ มีวัดตรงโน้นอ่ะหนูไม่จำวัดไม่ได้เขาเอาทองสึกแม่แม่หนูไปตรงนี้ทุกคนดแล้วหกบาทค่าอำนวณหกบาทแล้วหนูทำไมไม่ติดอ่ะนี ouais? หนูนั่ได้ติดกับเขาไม่จิดกหนูคันคองมันคันแล้วตี่ติดยังไหนคันแล้วมั้ยยิ่งเลยเย่้ายจะโกหกอยาอเอาลูกม า, าเนี่ ยาวลูกมาถ้าเจ้าโคกยาลูกม า, า, า, ลกมาเล็กมันไม่มีมายาหลองพ่อคะลองพ่อคะมัจะทองเปพลพระที่นั่นเขาลง น, นานนทองหนูไปดูเขาแต่หนูนั้นไม่ลงอกะหนูไม่มีสตางค์กบาทแ้่หนูลงไปจับทองคันคันมือแต่ที่เขาลงมันนีแม่มมคันเนอะได้ได้อะไรนะลงน่านนทะทอง เขาจะทาทเขาจะไปไหนอยาอายุไปไเดกกูไม่ไปหยอกใ้หม็กกูเองอาตามาเลยให้ไปลอยเอาไปเลยอยู่เท่ากูหกปัม่เลชอบหิกเรายิกอะไรเนี้ยเดยกก็รอ รับรองใายคนเนี้ยเคยหยุดหัวมาแล้วก็เคยหยุดผัวมาแน่นอนมือซิปตีเลยอยากโ็หกให้อยากเราก็ต้องเห็นหน อ, อทำไมมีทองหน้ากัไปแค่วถ้าจะไปลงน้าหน้าทอไม่ใช่ติดทองวัฒน์นอนมากรือมาเองกลื้มาโดนหน้าพอดีนะขอรขด้ทางโทษ ทองคำน้ำโชคก็ตา่ามทองคำเนี่ยก็ อ, อยู่จิแตกน้ำ ไ, ไม่ไหลตกไฟไม่หมใครเ็อวยขูดลขวางยังอังฉางคือทองคำไม่ใช่ลงที่ไหนอยู่ที่จิตใจเราเนี่ยประจยัยน่าที่ได้เวลาที่มีประโยชน์อย่าไปเชื่อห ม, ม้อดูอย่าไปลงงหน้าทองลงงหน้าโขนดีที่สุด เคยลงหน้านมาทนยังเคยเงาเงาถ้าเจ็ดลนที่5้าวันเอาเลยอยากให้แพ่เยอรมันนะเยอรมันมันคุ้นอิืริมานี้์ยี่สี่ปีไม่ได้ไม่กับคนุ้งเทพมาวัชรชัาไปซาบูไปให้ฝรังเยอรมันเบอร์ลินแม่มันเป็นผู้ใหญ่การโรงพยาบาลพ่อเป็นวิศวกรไฟฟ้า เขาต้องการจะมานัง่งปัจจบันเป็นคาทอลิก ส, ส, สื่อประเทศจะเรียนประเทศไหนฝ ร, รับบ่งเศสเยอเยอรมันสวิตเซอร์ลน์อังกฤษาชิงใจไม่ไดัาแม่ก็จะชิงใรให้ไม่ไดับพ่อตะชิงใจไม่ได้าเลยค ข, ขามีจมีดข้าพเจ้าขอมาวันอัพวังชิงบุีใครแหละไม่เคยมาชิลีสีสสสส่ปีมาทั้งบึบงงดอมเมือง จินกัมเดมันรู้จังมันรู้ดีว่าคนลงอุดนอนเรือนวัตถุ น, นิยมจินกัมเดข้อสองมันบอกว่าไปตลาดหมอชิดขึ้นรถแท็กซีหมอชิดลงตลาดหมชิดแล้วินกัเยดข้อสามให้ขึ้นรถบัสสายเ อ, อเชียร้อยสามสิบกิโลเมตรให้ลงอินกัเยดต่อไปมาเจอชายชิดบาท วงเล็บเมื่อปรกจายห้าทำไมจึงมีสิทน้ำมันในขึ้นราคามันจะมาถูกเลยแต่คนไทยกรุงเทพไม่มีเข็มทิศเลยนึกจากไปไหนไม่มีเข็มทิศเลยโยมไปไหนมีเข็มทิศมาดิมีเข็มทิศหรือเปล่ามีต้นคนไหมมีกาตันไหมมีต้นหนุนไหมมีปากเรือไปเหนลงใต้ เพื่อนเพื่อนคือกรรมฐานสิ่งกายเวทนาจิตกรรมอักดันเส้นกลนเส้นหอมปากเหลืองกายานิกปรัชนาจิประชานเวทนาม่ปรัชนาจิตประชานจิตใจไม่ปรัชนาจิตประชานธรรมาน่ปรันาจิตประชานเป็นนายาที่ข้ามฟังฟาดาะโดยมีกัดตันที่มันขัดเรือกี่ท่านแข็งยะยาวดละภาวนาเส้นหอม ไม่อากาน่มันจะมีมาไหมลงสลากตามมาไหมจับใจเยี้ยไปได้ไหมแ้เอันตลายหรือเปล่าน่แหละกรรมฐานมืสี่ตะการนี่น่หละกรรมฐานทาให้เกิดความมั่นใจและกัสินใจได้ดีมากตามมเลยไม่ใช่กรรมฐานหล่อหลวมหลอแหลหรือไงตัสินใจไม่ได้นะโยมผู้หญิงทั้งหลายทากรรมฐานต้องกัดสินใจใจเ้แข็งไหใจเข้มแข็งไมเนีย นนะแข่นะแข่งแน่นะแล้วขอถามนะ่าเคยร้องไห้มัยม้ยยงผู้หญิงฮะร้องทำไมร้องเรื่องอะไรเรื่องเขาไม่รักเลยตะโกนมาน่ากลับมาถามเจ็วันเนี่ยตรงเนี้ยฮลัลโหลหนู พ่อเธออยู่บ้านไหมเราอยู่ได้เพราะเธอไยิงพ่อเธออยู่บ้านนะ เ, นเออนนะสีงเยงแย่ววตั้งแต่แม่ไปวัดพ่อไม่กลับบ้านเลยนะแต่แม่ไปวัดพ่อไม่เคยกลับมาเลยเนะี่ยซีขงวันลนะวางแล้บอกวางเบาๆน่อเดี๋ยวโทพทราบจะทำผมอะไรตอนเช้ามาแนละ้ว ต้องขอเนื้อมาช ก, การหลักมีความจำเป็นต้องเรียกด่วนเบื่วนเรื่องอะไรเขาไม่รู้เราเดี๋ยวเรารู้เขามาโทรศัพท์ต้องมีต้องเรียกด่วนน่ะเรื่องเช็ดหรเรื่องอะไ ร, ไ ร, าาราาก็รกรรรออ ไ, รไปเชิคเช็คไหมถ้า ม, มันมีเรื่องนึกขึ้นได้นะถ้าะการปลอยอยู่เกิดวันนี่แค่สางมันเให้มันงดเกิดวันกันเไปไม่ยาก ไม่ได้กับปายเอยิ่งเลยเรื่องอะไรถามจริงๆอยา่าโกหกเรื่องสาคัญคือว่านี่เรื่องสาคัญก็มาแล้วแต่ปฏิทัยกังวลนะโยมนะอย่าไปห่วงมานไดนะ้ไหมถามดีจะไปไหน็ะถาเขาใจเล้เราเขาจะไปหางยมมาให้ยาวถูกไหมอ้าวไรถ้าอยอมห่วงยางไงไม่ต้องมานั่งกรรมที่ไม่เกิด เนี่ยฟังเนาะเดียวนาะฟังเนาะแต่อีหมูมันอยู่บ้านไมเนาะมันไปไหนอะไรทางเขาไปทางยัองเราจะมาสร้างบุญแ้างกุศลแล้วว่ายอพุธกุศลจะกุศลให้สา ม, มีแต่สา ม, มีเขาไปชอบแม่วัสมานหรือชอบใคร ก็ขอให้เขาอยู่เย็นไปสุดการตลอดไปเจ้าค่แพ้ได้ไหมนั่นต้องได้ถ้ามีลูกสาวจะแต่งงานให้จำเป็นต้องกล่าวว่าไปหาหมอดูวันได้เดินถึงอย่าสมจิตใจเขาเข้ากันได้ไหมแล้วก็จิตใจเห็นอกเห็นใจกันไหมดูให้อนาลย์เลย ในว่าทางที่สุดมาการเวลาที่สุดคนถ้าทําได้อย่างเนี้ยได้ผลอย่างสมค่าปัจฉณาเจ้วย้อมกลับไปพยายามทำให้ได้เดินตรงกลมให้จะชาขวายางหนอนหยุดแล้วก็ใช้ยางหนอนหยุดกระทุ้งกับขวานั้นได้สังวะจะได้รู้ว่าจิตไม่ติดดวงแล้วลูกน 1, ้ําทันห้าเป็นอย่างไรดูที่เท้าอย่าไปดูตรงโน้น บางแห่งก็สอนดูตรงนน้นหลับตาเดนินใช้ได้ย็ น, นหมอห้าครั้งก็ตามสติไวให้สติอยู่ก็จิตให้ได้ชาติจิตอยู่ก็สะติมาโ ย, ยมจะเกิดปัญญาตนนั้นถ้าโยมไม่มีปัญญาขาดสติรับรอกทำอะไรไม่ดูผลเลยแล้วไม่รู้ว่าลูกจะเรียนอะไรบางคนเนี่ยลูกปัญยาบ้าลูกเป็โรกเอดข้อก็ไม่เอาไหน คุณแม่มานั่งกรรมฐ า, านสวดทามุมะตายตลอดเลยและแผ่เมตตาสามีกลับบ้านเลิกเดินสุลาเลิกเล่นการพนันเลิกเจ้าชมาช่วยทางแม่มากเพราะฉะนั้นความดีอันนี้ทําให้สามีเปล่ยใจถ้าหาก็เราไปตามนิยมนะเขาเจ้าชู้ไปตามไปดา่าไม่มีใครเขเปลี่งใจหรอกมีแต่ราคาต่อ ้ามีก็พูดไปอย่าไปด่าจะไปว่าว่าแล้วราคาเราตกราคาเราก็แหมราคาแพงพอไปด่าเขาครับราคาตกทันทีแล้วเขาก็จะไม่ออไรเกลียดเรเด้ยไม่เปลียนใจเราไม่พูดถึงเลยเขาจะชอบใครก็ปล่อยอย่าไปตามมาคนชั่วเขา้ามาแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาดูเย็นไปสุดการลกเราจะดีหมดเดี๋ยวความเปลงใจก็จะเกิดขึ้น เขาคอยเดิญพความเปลงใจเนี่ยทําให้คนความดีเนี่ยทําให้คนเปลงใจไม่มีความดีเนี่ยเขาก็ไม่เปลงใจเลยถ้าความดีถึงเรามากหลากหลายมาด้วยความดีไม่เคยไหวเขาเบื่อช้น้ำขุ่นเขาจะเปล่งใจเราเราจะพูดอะไรเขาจะเชื่อได้จำไม่เหลือนี่ฉันไปด่าเขาไม่อยากเป็นแผเนี่ยซื่นไปตะพึชแผลก็แปร่ เลกตายเป็นลูกมะเลยงแผลเนี่ยมาจ น, นแผลผู้ใหล้างเอาไ อ, อ้พอหอลา้างแล้วติดหยับผู้ถึงหยาไอ้ผูดถึงแผลจะหายไหวจะไม่มีอะไรสกสิดผูด้ใหญ่จิตต่อไปเท่านี้เองนะคิดหมอโกรหมอโรอยากห้างคืนนะออกเพียการเวลาจอนเช่าลมท้ า, ทางทำงนานเสียหมดค้าขายไม่ได้ขายินดิงก็ไม่ได้อยา้ลมค้าง ชาล้มใหยนเนี่ยนะเดิเนไปฉามีพญาไปแต่ทําอะไรกอดตึ้งตั้งตึงตั้ ง, ง, ง, งเอาเล้มเสียไปเคลื่นทันทีถ้า ต, ต้องครูบาอาจารย์ไปสอนเ้าไม่ไ ด, ดีถ้าเป็นบริษัตทเอาเด้อไมาได้เลยไม่ได้เนี่ยขายอาหารล้านอาหารสามีทายาลมา้มไดีวันนั้นจะขายแต่เลยกัดข้าวจะเคลื่นช้า ถ้าลมดีหน้าตาก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจโฆนนาเจรตาไปหรอะช้อเครื่องเอื้อเพื่อขายหรื้ดูแขงไม่แตกลูกค้ามายิ้มลูกค้ามาไม่ยิ้มเลยหน้าอย่างเนี้ยเอาหน้ากรอกมาจากไหนเนี่ยหน้ากลอกมาอย่างเนี้ยแล้วก็ร้านถ้าเป็นลมมีหน้ากอกอย่างนี้ยก็มาไม่เข้าหลักตัวนากว่าแล้วจะจะช่างข้าวได้จะกินข้าวได้ยิ้มมาจะไหม คนที่มีสติปัญญาจะยิ้มอยู่เสมอถึงอากไม่ยิ้มตา ม, ยมตา ย, มยิ้มแต่ใจยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเลยกลยตาตรง น, นี้เป็นจุดมึ่งหมายําคัญต้อหลับกรรมฐานท า, างสติวันนี้นิสตเนี้หาย ใ, ใจย า, ยาวโกรธหนอะโกรธนอะอยากโกรธปากไว้ม่ใจจละอิจฉาใครขวบงวมใจนินนอดอธิษฐานสิเป็นประจําเขาจตกรรมไวเขาแทนในตา ตาโฮที่ตามภัยมายายังโกรธผอกใจโกรธคนน้องเปลี่ยนคนแพนให้ออกเนี่ยแม่ตาไม่มีไม่ต้องแพนแพนไม่ออกยิงเปิแต่บกระบก็บอกไม่มีกําลังส่งถ้าโยมมีแม่ตาสูงแพนไปที่ไหนได้หมดถึงกําลังขับรถเอารมณ์ดีเนี่ยแพนได้เลยมาจะไปเฉวดมงแม่พระคนที่ไปเฉวดมงแมาช้างน่ะก็มาถามสําหรับจิตใจไม่ดีถ้าจิตใจดีโปรดหยองร่องใจ ไลแ้แผลบวงมาลอกเกาแย่งไว้รู้ด้วยทันใจจิตจ้องไปทําแพ้ได้เลยแพ้กุศลให้กับลูกแพ้ให้มิให้พัญญาแพงจะี้ายแล้วด้วยเมตาถ้าเราไปแช่ช้าขาดกดูกเขาเราก็แช่ตัวเองแช่ตัวเขาไล้มายน อ, นอย่าไลา้ตอบเขามาดีมาจงเอาความดีไปแก้ไขแคนตระหนีให้ของที่ต้องจาย ควนพูดเหลืหลายเอาความจริงใจเข้าไปสนทนาน่ะแต่เราเป็นชาวไทยไม่แก่นะมันจะเกิดของห้าประการหนึ่งเป็นสาเหตุทำให้แตกแยกความสา ม, มสีสองเป็นอปสรรคในการประสานงานที่ดีสามขาดขวัญกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานสี่สร้างศัตรูให้แก่ตัวเองห้าข่าวความจริงใจต่อคนพูนดกันข่าวความจริงใจไม่มีความจริงใจต่อใครเลยออกมนชัดเจน เพราะงั้นตองแกผิดนี้ก็ขอให้การสะเทียอารมณ์ไว้ให้ดีทําลายไว้ให้ดีตองสะเทีปัญญาไว้ไปทาํามาฮาได้จะได้เงินในทองจะไปทวงหนี้ทวงสินใครหรือจะไปใช้หนี้ใครจะขอร้องให้เขาช่วยเหลือก็ต้องแผนไม่ได้ทำไมแทนเขามีใครช่วยหรืตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องแพ้แ น, น่นอนโรคเลือดหือยาจะพติดได้เยอะเนี่ยที่ว่าเ เราก็บอกพ่อแม่เขาดีจริงๆอย่าทะเลาะกันแล้วก็พยายามสร้างพลังให้กับลูกสร้างความดีกับลูกทำถูกกับหลานและให้ตวิธยที่ทำความดีหลุดโรกขับไล่ใจดีหมดแล้วโลคอะไรยังหายอันนี้เรื่องจริงตัวจทาหูม้ากาเถอะและแผ่เมตตากรรมฐานถ้าคุณโยนกลับไปบ้างมันเดินตรงกรมขอนเดินจงกรม เ, น, เนี่ยมันมีสติปัญญาเกิดสมาธิรญยะนานอดทนต่อการเดินทางไกล สองอดทนตากตามาเพินเพียงสามโาครคภัยใข้เจดไม่เบียดเบียนโลกหายแน่นอนโรกมะเร็งก็ยัหายสี่อาหารย่อดเย่างห้าสมาธิเดินกลมกลมนั่งเล ม, นะมานั่งมานั่งนั่งปับก็เดินไปเลยแต่เสวอมากโยงกลับไปบ้านไม่เดินกลมกลมเลยเลิกเลยเดินหนอยนะถ้าทําให้เสมอจนเสมอปลายโยมได้ดีเนะ่ สร้าง um ความดีได้แน่นอนแล้วไว้ด้วยถ้าตัสมั่วมาสร้างความดีต้องถูกแต่สถานที่อปทิชฌ์ชั่วหมาสร้างความดีต้องถูกแต่บุคคลกาลชั่วหมาสร้างความดีต้องถูกกาลเวลาด้วยอยันหนกอามเวลาประโยคาชมาสร้างความดีต่องเสมอต้นเสมอปลายคําอย่าให้ลักหลานอยให้เป็นกระบองกระแดงกระตอนกระใจเลยรับรองได้ดีแน่นอนความดีขาดตอนเสียกายด้วยแต่สร้างความดีอีกไม่ได้ ยาเยเชื้อชัจพยายามทำทุกคืนเิดมงภาวนาแผ่เม่ตายจะยากเหนื่อยมาจะไา้งานก็ต้องทำรับแรงคลิกอะไรสำเร็จหมดมาอยู่ตรงนี้เป็นแก้วใช้พันิกขายามทำตัวแต่กระจายเป็นแก้วสช้พันิกนึกอะไรสำเร็จตามเป้าหมายและความปรารถนาของการให้ลูกเองทาด่าก็ไม่เคยพาดอารย้ําลูกไปเรียนเมกาแล้วก็ใดเท่านั้นไม่ได้ กลับได้เขาเรียกใบอะไรนะวีซ่าออกให้เดนน่าอันนี้เรื่องจริงที่วัดเราเนี่ยก็ขอฝากแ้าโยมได้เป็นข้อคิดเพราะยังไการตามกรรมฐานจึงมีประโยชน์แต่การกระทำของเราเองนเรียกว่าการกระทําให้ฐานะดีการกระทําให้ฉี ก, รกรงอกและการกระทําให้เบินทางไปดูความสุขพอะ มันมีการเสียหายจะประการใดๆนมุชนาการุษการในโอกาสอันเป็นมหามงคลในวันนี้ญาติโยมหญิงโยมชายกลับไปแลกความใจมีอะไรก็หมดก่อนจับคู่จะคิดกำหนดก่อนเพราคนหนึ่งนั้นมาทนตังไหนตาดูหูฟังปากนิ่งเคยเลี้ยงดมีธรรมแตความดีอย่าไปหาเรืร่องกับใครต้องเ้ีเวลามาัา่งนะทะเล้วโยมไม่เฉยดีปัญญาจะเกิดจะแก้ไขปัญหาในครอบครัวได้แก้ปัญหาใหลุกอยา บางทีสามีทายาก็พูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจายากอาตมาพูดโยมฟังมานานเนี่ยถ้าเราพูดเพราะๆพูดดีๆกันเนี่ยจะเข้าใจง่ายพูดร้ายต่อการ้วยเจตนาไม่เป็นธรรมรับแรองให้รู้เลื่อนเลยเข้าใจายากพูดเพราะๆอ่อยตาหวานลุ้งึ่งากาบโยมกาบหวานหูไม่ยู้หารับรองได้ผลยังสมค่าศาสนายังได้ชี้แจงแสดงมาไม่บุตรธิดาก็ดีมีลูกหลานก็ด บ้านไหนสะอาดนะสะอาบมาเกิดบ้านไหนโตกะโปกสับโลกมาเกิดเที่ยงพอ่อเที่ยงแม่ทำไปตกใจนี้ชเจ้ทําะไรก็ขอใอดทนนะอดช้านอดออมพยายามยอมความอย่าไปหาเรื่องกัใครเดินและอย่าโยนทั้งหลายโตไปเตือนญาติเนาะอย่าแย่งุมบัตดแ๋ยวเราก็ตายจากโลกไปแล้วไม่มีวันกลับมาพ่อแม่ช้างว่ายังไงต้องการคำสั่งก็พ่อแม่ของเราเป็นพระรหัสงของเราเราจะทาอย่างนี้เป็นทร า, ารหัสงของเราพระในบ้านสาคัญ พระพ่อพระแม่สำคัญมากเรียนชนในิอินหนามสำลานเดี๋ยวก็ตายจากไปไม่มีวันกลับมาขออนุมโมทนาสาธุ ก, การแก่าเจยมด้วยวันนี้ก่ดอดหยี่ยมน้าคุณอาตีและคณะกายบูรุษหนหายโจประชามพรให้ญาติโยมทั้งหลายโดยถุ่นกรรมตรงประสบกับความถุก ข, ขั้นกันดองเขาตรงกระแลกแตถกพิจารณ์ชายชื่อประการไมียลูกคอยุนานามโ น, โนโพิพันธ์ผ่องใ สุขัางกายสุขภาพกายอนามัยทุก่าโตดดุใจดีโรคไยัยใขรเจ็บมีก็ต้องหายสิ่งชั้งว่าที่คิดวางแผนนี้จะคึกต่อไปโอกาสา่วงพรังงานเกิความสำเรเ็จผาดโผนสมเชิดชั้นงองความหมหมาธนนะโดยการทุกทุกท่านณนโอกาสบัดนี้เธอินขอเจริญพรทุกทุกท่าน